อย่างอื่นเราก็สร้างเวรสร้างกรรมหลายเช่ะร้อยหลายชาติหลา ย, าลายกลับเลยกันมาแล้วน่าจะพิจารณาถึงนั้นถ้าท่านมาเอาบุญจริงๆนะท่านจะมืดชาติได้ท่านไม่วุ่นวายท่านจะไม่คุยกันสองท่านจะลุ้ลึกถึงบุพการีของท่านได้ท่านมานั่งกรรมฐ า, านทจ้งเด็กเล็กเด็กแดงถ้าทําได้จริงใช่ข้าวป้อน้นํานมแม่ได้ถ้าทําจริง นี่เดี๋ยป็นทุกสิ่งกตัญญูตวัวเวจิตารมทีทม่ท่านมบวชบวชกายทำจิตใจเข้าถึงพระมีพระประจําจิตประจําใจท่านแล้วท่านจะประเสริฐท่านจะมีแต่ความสุขมันไม่มีความทุกข์แต่ประการใดแต่ละอย่ามาหาความทุกข์เพิ่มขึ้นเลยกลับไปท่านจะมีเวรมีกรรมไม่ใช่ว่ามาทําได้ทุกคนนะเห็นหนอมันจะบอกไว้ชัดคนที่มีบาปบอกว่าเนี่ คนนี้มีบุญวาสนาเหลือกเกินที่จะต้องสร้างบุญกุศลต่อไปบางคนก็ไม่เอาหน้ามันบอกที่หอขอฝากท่านทั้งหลายไว้ไปคิดเป็นความที่ต้องพิจารณาตัวเองแต่ที่เรามาเนี่ยจะมา ย, ยินดีต้อนรับทุกคนอยากให้ท่านเป็นบุญเป็นวาสนาตองการให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกๆุกไม่ตองการที่ให้ท่านมีทุก ต้องการให้ท่านมีความสะดวกสบายปลอดภัยชีวิตทจัพั์สินท่านจะไม่ชอบท่านต้องการเดือดร้อนมีที่พึ่งทางใจไม่มีเลยนะอาจจะหมดโอกาสอันดีงามของท่านไปอาจจะเป็นหนุ่มสาวอย่างไรก็ตามมันก็ต้องตายนี่มาคืนกะตายดีสามศพคืนสาวหน้าข า, ขาวๆตายแล้วไม่จาต้องแก่ตายท่านอย่าประมาทนะ คิดว่าเรามาสร้างบุญกุศลขอให้เอาจริงๆทุกสิ่งได้ผลการนั่งกรรมฐานาเพื่อนมึฉากในเหตุการณ์ธรดาู้กฎแห่งกรรมไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้อย่ามาเฉียงไม่ได้เพราะท่านมาได้สร้างความรู้อันนี้ท่านมาได้มีบุญจะสร้างบุญอันนี้ไหนเลยเล่าท่านจะรู้ว่ากฎแห่งกรรมที่ท่านที่ทําไว้ปวดหนอก็ทำมาได้เลิกหนอเนี่ยท่านจะรู้กฎแห่งกรรมไหม ร้อยแล้วหนึ่งก็เอาละก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะถ้าท่านตั้งใจทําที่อาจจะมาชี้แจงแสดงแล้วรับรองได้ผลนั่นเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าลูกท่านมีกี่คนจะต้องเรียนอะไรจะต้องท่งไปที่ไหนมันจะบอกด้วยคือสติและไม่ชัญญะถ้าทําไม่ได้เขาไม่ถึงไม่ชื่นใจไหนเลยจะสอบไม่ผ่านแล้วท่านจะได้ผลงานชีวิตท่านประกันได้หมดโอกาสเชิญหรือ พี่น้องทีละเราเป็นอุบาศกเป็นอุเบากา ม, ชมาชามบวชชีพราหมณ์ตามวัดตามสลาวัดอย่างนี้ตามาถือว่าเข้ามาบวชในบวรธรรมุธศาสนายึดรัตน์ตลายตะที่พึ่งของท่านแล้วมีครบที่สอนก็มีศีลธรรมาท่ปัญญาครบแล้วแต่ท่านไม่มีศีลก็ท่านขาดสติกนมดมาคุยกันคุยกั เ, ยเสียนเอเสีดังท่านจะบาป ท่านจะไม่มีสิ่งท่านจะขาดสวยจิตใจไม่งามร่างกายไม่สวยท่านจะกลับไปรวยได้อย่างไรจุดมุ่งหมายอันนี้ไม่มีใครคิดขอฝากไว้ศาสานามีลูกมีหลานอุตสาหสอนให้ดียายสมบุรีได้ไหมนี่บางแม่ก็ะชงเสริมบางทีไปสอนเขากลับเคืองไปสอนลูกเขาให้ดีพ่อแม่กลับเคืองะระคายเครืองแค้ฉันจะคิดท่านทำไมสามารถจะแผงลิกายเพศไปเจ็ดทีได้ สมา ถ, ถ่ะว่าลักวัวต้องถูกสิลักลูกต้องตีด้วยแบบอย่างแบบอย่างของเราไม่ดีผ่าไปให้ลูกได้ขอฝากท่านคิดนะในฐานะจะเป็นพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกให้มั น, มนดีเลี้ยงลูกให้ปลูกต้นทองสิมาใหญ่มาโตจะได้ไว้อาศัยถึงคราวเจ็บจะได้ฝากไข้คราวตาจะได้ฝากผีดีเอาไว้รับใช้สอยไม่ได้เข้าหลักนี้ใช่ไม่ได้ เลี้ยงลูกโ ต, ม, ต, ตมันจนตามันมีหลักฐานนะนมสายยังไม่มีมารยาทเลยบางทีเดินจะเหยียบผัวคนเฒ่าคนแก่เสียใจเลยถ้าคนมีสิลจะมีสติเรียบร้อยสัมปชัญญะเรียบร้อยจะเดินเหินจะยืนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายเลขวาสวยน่ารักนี่คือศีลไม่จําต้องกล่าวแลว้วกับพระสินเนี่ยคือคุณสมบัติของมนุษาาย์ขาดความปกติขาดสาติสัมปชัญญะแล้วท่านจำมีสิ่งได้ไหม สัตว์มือคุโรชุมัดมนุษย์หมนี่หรือท่านจะไปสวรรค์ไปดีพานไปหมวดชีพรามตามวัดต่างๆเที่นาหิ้งใจมากตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะพี่น้องศิลป์แล้วจะจากวัดไมคือกําหนดกรรมฐานได้เราก็รู้ว่ากรรมฐานคืออะไรก็คือสิ่ธรรมะที่ปัญญานี่เองแต่เราแปลไม่ออกบอกไม่ได้สเอาแต่บุญตะพึกใช้บุญช่วยใช้บุญช่วยเสียใจด้วยท่านไม่รู้จักตัวบุญ มนคือความสุขแต่ท่านไม่ชำะะระใจสะอาดทําใจสกปลกมีแต่อารมณ์เสียอารมณ์เลวท่านจะพบแต่ความบาปและเดือดร้อนสงคัญเองาจะแก้กรรมท่านไม่ได้แต่ปัญหาชีวิตในครอบครัวไม่ได้สามีภรรยายังนั่งทะเลาะ ก, กันแถมพี่น้องก็แย่งสมบัติกันจะมาพูดเรื่องจริงฉะนั้นเรื่องจริงมีมาหลายเรื่องลเลยป็นที่น่าทิดได้มาก นี่แหละพี่น้องทีลาเก๋ยมีลูกปลูกฝังลูกไว้าหญ่ไหมลูกที่มันเสียหายเด็กไม่มีดีไม่ใช่โชดเด็กพ่อแม่ไม่ดีถูกต้องสามกฎแห่งกรรมบางคนเนี่ยสร้างเวงกรรมให้ลูกพ่อก็ชุยแฉกแตกลาเจอผู้หญิงยิงเรือเป็นในในในในโชโบชิวันนี้สองพันห้ารอยบอกยานะขอบิชาบาศ ผมไม่เจ่ยบุญบาปเอาไล้วจอดไว้ในนี้ลูกสาวมากรเลยปัดลูกสาวช้าคนเป็นโสเภณีหมดนี่ในทานายพิเศษนี่ขอแย้งให้ฟังสั้นๆเท่า น, น, นั้นบางคนนีอาจจะไปสอนีฐานเจอน่าจะแก้กรรมเก่าที่ทำํำทำมาท่านจดไว้สุกดดูลองไปทำผู้เยี่ปู้ยามจิตายลามโมกสอกบกท่านจะฝากเวงกรรมไว้ให้กับลูกคุณท่านท่านตายจากโรคไปยังทําให้ลูกเดือดร้อนในลูกมนุษย์อีก อาจารยไปสวรรค์ได้างท่านก็ต้องลงนรกไปจิตใจมันเดือดร้อนจิตใจเดือดร้อนในท้องสายเป็นได้ยังไงอาจามาสอนเด็กกุญเลาได้ผลกว่าเด็กเล็กๆได้ลผลดีบอกหนูสวดมนต์ว่าท่านนะลูกนะไปลามาไหว้นี่คือส <c oughs> ี่งไหวพ่อแม่สามโหนขอไปโรงเรียนแต่ึันโรงเรียนไหว้ครูขอฝากไปสอนลูกเี่ย แต่ท่านจะสอนได้ยังไงแต่ ม, มาบังคับท่านไม่ได้เพราะแล้วแต่กรรมของท่านกรรมดีก็สอนลูกได้ดีกรรมชั่วก็สอนลูกได้ชั่วออกมาในบาปนี้ชัดเจนเนะไม่ใช่อื่นใดไม่ใครไปใครใครทําให้แต่บนบานแสงเก่าพระเจ้าในบนฟ้าก็ไม่ช่วยท่านได้หาบบนกับผีตีปกับพระพาห้เท้ า, ามาช่วยให้ผีมาช่วยก็คงช่วยท่านไม่ได้นะตูดมุ่งหมายอันนั้นก็ได้แก่ท่านช่วยตูดท่านเอง าตายตนูนาโถตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนได้แต่รัตนนาจายิเป็นแนวทางที่จะต้องเดินทางไปคือพระพุทธจักรมาว่าในใจนี่คือกรรมฐานก็มีปัญญาคุณมีพระลิสุทธิคุณพระมาหากุงอ น, นทิคุณแต่ถ้าเจริญกรรมฐานถ้าจะมีปัญญาก่อนปัญญาเปิดก็เสริฐที่สุดปัญญาก็ได้แต่สามทางที่ท่านทำอยู่นี้ ปัตตารมให้หยิกแล้วก็สนใจทำโจทัวข้อไว้ทดทัวอารมณ์ปฏิบททัติทังทีเกิดปัญญาในฉางนี้แล้วก็คิดก็เนี่ยกับสติทั้งปัาญญายกําหนดจิตโกรธหนอเสียใจหนอเป็นตนเสียงหนอเห็นหนอเคยช่่งกำหนดมั้ไหมเปล่านี่ท่านชั้ไม่ได้อะไรเนี่ยต้องฝึกต้องหัดต้องดัดปลือออกไปอย่างนี้ท่านจะถีนิสัยเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ออกมาในรูปแบบนี้ฉันจะได้ใช้ความดีแผ่ให้กับลูกท่านกระท่านี้ลูกดีทุกคนเนี่ยถ้าท่านกองการให้ลูกท่านเสียก็ไม่มากันอาตมาเอาของดีให้ไม่ใช่ของชั่วให้ท่านหรอกแต่ท่านจะไกลกรองโยนิโสดูม้างว่าใครถูประการดใดมาเช่เอของชั่วให้เลยนเนี่ย้องการของดีให้แตท่านดีไม่ได้ก็เลยไปคนดีจะเอาของดีไปคนชั่วมันชอบเก็บของชั่วไป จิตใจเลวมันก็อของเลวไปจิตใจดีก็เอาของดีไปนี่อยู่ตรงนี้คืออารมณ์อารมณ์คือระกรรมาฐานนี่แหลปัญญาคิดมีสเตีปัญญาเลยหรือก่อนเสมอคือต้องคิดก่อนที่จะเกิดปัญญาถ้าขาดความคิดอันนี้เนะี่ยปัญญาท่านจะไม่เกิดถ้าจะได้ปัญญาเป็นไหนก็นยังสู้ภาวนาไม่ยาปัญญาไม่ได้ภาวนาทําให้เกิดผุดในดวงใจใสสะอาดทําให้จิตใจผ่องใส จิตใจท่านดีแล้วท่านจะเกิดถอนจะลุกก่าแทงกรรมตรงนี้ว่าใจมันใสไหมใจสะอาดอารมณ์ดีไหมท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาทุกคนท่านแต่เช้ามาที่นี่อารมณ์ท่านคงที่คงวาคงกรอกไหมนี่ตรงนี้น่าจะตั้งสตรียักษ์ถอไปด้วยการกําหนดจิตพุ่งซ่านเนาที่ลิ้นปี่บางคนไม่เอาเอาแต่เดินจงกรมกันนั่งแถมเดินจงกรมไม่ได้อีกนั่งของหนอยุบเนอไม่ได้ยืก ยืนหนอห้าัางยังทำไม่ได้แล้วท่านจะไปจุงไหนล่ะแต่จะได้อะไรริ่ไปประโยชน์กับช่ทุท่านจะไม่มีเลยเอาวันนี้มาพูดอย่างให้ท่านเขจาใจพอมาใหม่ก็เยอะยะอาจจะไม่เขา้าใจพูดโทรมาบังอลหังมาบ้างเลยจับจุดไม่ได้การจเจริญสติปัะญานรีทางช้เอกของพระพุทธเจ้านี่หนึ่งลาบึกชาบ่าจริงสองลูกกฏจก ร, รไหม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 การกระทากรรมาฐานศัตรูที่อยู่ในใจของท่านกลับลากลายเป็นมิตรสร้างสนิทหัวใจคือเป็นบนัณฑิตมีความคิดสูงต่อไปความคิดต่างๆเหนีวแลกแตกล้านคงจะไม่คิดอย่างนั้นต่อไปนี่ตรงนี้นยคิดหนอสำนังหลายเคยกำหนดไหยคิดไม่ออกมันจะบอกได้เอาลูกจะไปสอบอะไรก็สอลูกหนูคิดหนอที่ลิ้นปี เดี๋ยวมันจะคิกออกตอบตรงไปกล้องได้ทุกหลายนี่ตรงนี้ของจริงดีกว่าไปสอบตกกระหลุงท่านเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้การทำอย่างไรถ้าเป็นลูกเราเป็นอย่างไลายชิดชิดทุกคนองการให้ลูกดีมีปัญญาทั้งหญิงทั้ชายชนะอย่าไปสร้างความร้ายเหลือกับลูกเลยถงสร้างความดีกับลูกทําถูกไว้กับหลานท่านต้องรักให้ถูกวิจิตรต้องทําความดีให้ลูกดูนี่เสร็จเป็นตำราประกำฐาน จะไปสอนไปสอนนี่พานถึงไหนกันแค่ตามๆท่านยังไม่เข้าใจลเลยไหนเลยเราจะทำความเข้าใจด้วยความถูกก็อาจจะหมดโอกาสด้วเลยถนี่กคำถานที่สอนง่ายที่สุดแต่มันยากสี่ชันมาเดี๋ยวกําหนดไม่ได้สับน้สติเลยไม่เอาสติมาควบคุมอิดเลยจนะมาพูดซ้ำก็โยงก็ไม่เข้าใจก็ต้องพูดซ้ำตรวสอบมันตบจะไปพูดสูไไดงไปยังไง นี่แล้คนโงโ่ๆงโงชอบเอาจิตไว้ที่ปากพูดบ้างพูดคุยกันไม่ใช่เรื่องเรยล่เรื่องของที่จะคุยไม่คุยคนที่ฉลาดเป็นนักปราบบดณฑิตต้องชอบเอา ส, สัจธรรมไว้ที่ใจกำหนดจิตกรรมฐานนั่นเนี่ยคือบัณฑิตไม่มีความสูงจมรยาสวยงามหน้าลักษณน้าทัศนาชมเป็นการสร้างโกฏิให้แก่ตัวเองไม่อยอมไปทําบุญนอกสัวนอกใจเอาเงินไปทําบุญวันวนี้วันนี้แต่บุญให้แก่ตัวเองไม่ได้ทํา การเจริญกรรมาฐานหลวงพ่อใช้มีเวลาวันเดียวแต่อีกหลายวันนั้นเป็นการสร้างความไม่ดีหายยะในบ้านท่านทั้งหลายมาที่นี่ขอให้สงบสิจริงๆนะแต่จะพบของจริงในวัดวัดปฏิบัติวัดถูกทำท่านจะมีธรรมะวัตถุสะอาดในบ้านทองท่านแต่จะวัดอารมณ์อารมณ์ดีไหมวัดรู้มั้งเช หายใจเข้าหายใจออกกําหนดจิตของหนอยุบหนออย่างไงแล้วก็วัดจิตวัดใจวัดหนอกวัดนายแตช่างเคยมารู้แต่ชูขึ้นมาช่างคำมั้งหรือเปล่าเปล่าวระวังท่านจะให้รู้อะไรเลยเพราะจิตมันละเอียดอ่อนมากท่านจะรู้ได้ไงมือคลำไม่ได้คือเป็นธรรมชาติของคิดอ่านอารมรับรู้อารมณ์เมื่เป็นรนาเมื่อเทปไปด้วเสียงท่านจะเอามือคลาไหงจิตไม่ใช่หัวใจต่อผิดกันทั้งนั้นถามบอกว่าจิตอยู่ไหนอยู่ที่หัวใจหมด อันนี้มันทําหน้าที่สูบสีดูฮิตไปเรี่องร่ากายชงนั้นแต่สีจะไปธรรมชาติเราก็ไม่รู้ว่ามันตัวตนคืออารมณ์ข้นโยมนั่นเองเบิ้ลกระแสไฟฟ้าเปิดชวิตมันก็สว่างแต่หลอดไม่ขาดหูมันหนวกตามันบอดเนี่ยมันหลอดไฟฟ้าขาดไฟเข้าไม่ได้แถมนิ้นไปเอามพาดอีกแล้วไฟเข้าได้เนี่ยลิ้นมันเสียไปแล้วร่างกายไปมาพาดนอนเท่งทึงแหละไฟฟ้าเข้าได้เลยลุกไม่ได้ ตายไปแฉบแหละแบบนี้จะจดเราล่ากายดีๆทุกคนนะอินทรีหน้าที่การงานยังดีอยู่รีบทำํำซะไม่ดีดิสอนจะเป็นอมาพาศเนี่ยจะไปทํากรรมฐานได้ไหมบางคนเป็นมะเร็งมายวันมาหวานชื่นจะตายเลยจะมาทำกรรมฐานรอกมาก่อนเป็นทํำไมไม่ง่าจนอายุต้องเจ็ดสิบละไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสนใจจะตายแล้วก็อยากจะให้พระช่วยเป็นไปได้อย่างไรล่ะ ขอฝากคุณหนูเด็กๆคุณเด็เวลานเนี่ยเราไปค้าขายนี่ยเราเล็กโตเป็นใหญ่เป็นแก่แล้วมันต้องเป็นเจ้าของตลาดก็คาขายมานานาครับร อ, อให้ขอคุณย่าคุณ ย, ยายและเขาวัดปฏิบตัติรับรองท่านจะเทีง่งชิงตาก็ไม่เคยเห็นหูก็ไม่เคยยินทำมาเขาก็ไม่ได้ท่านจะทําอะไรได้ขอฝากไว้ไปวัดบอกกระซิบเบาๆฟังเข า, เ า, เาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่สาวรนอย่ามอ น, น, นอนหลงเล่นไม่เป็นการ ายสามของกองเผาเสมอเยเล่เร่ทำกวรทำรกรรมฐานในน้เกิดมาชีวิตต้องดับคือตายารตายมีญาติมิตรบอกให้คิดถึงพระอรหังโลยากสุดคุณประพุทธัง็กํากำลังเวทนาทุก้าเลยเนี่ยแค่เวทนาเนี่ยทนไม่ได้ละวางคนมากาหนดให้มันหายมันไม่หายแล้วจะได้เรียนรู้มันมันเป็นปวดเพราะอะไรแล้วก็ทำได้เราจะรู้ว่าเวกรมตามสนองตรงนี้ไม่อ่า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 กินสบายนอนสบายพ่อแม่เอาไหนในกําลังความชั่วเกิดในครอบครัวตัวนั้นตรงนี้คิดหน่อยได้ไหมคนที่สร้างความดีเนะี่ยชอบลงทุนความสบายได้เลยลำบาก้ากยังไงก็สู้คนนี่คนดีไอ้คนชื่อชั่วเนี่ยมันชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายพ่อแม่เอางานนี่คนนี้เอาปูนหมายหัวไปเลยรับรองดีไม่ได้เดี๋ยวตลอดเชิงซึ่งทั้งตายดีไม่ได้รวยไม่ได้ด้วยขอฝากท่านผู้เปมนบิดคิดได้เหละ ท่านคิดได้หรือไม่คิดไม่ได้ก็ช่วยท่านไม่ได้สถาโคตรเพียงบอกแนวทางปฏิบัติไม่สามารถจับมือถือแขนให้ไปทางดีได้ถ้าท่านไม่เอาท่านก็ไปเรื่องตรรมของท่านแหละไม่ใช่มาบวชชีพรามอย่าตามวัดพระเทพจะไม่พลาดเดี๋ยวอลาหังเดี๋ยวพุโทโธติดกันเทศไในพักต้องการตามคําสอนพุทธคิดน้อยนอนน้อยพูดให้น้อยทําความเพียรให้มากได้ผล ชาท่านตองการบอโอ้ยเหมือนมากไปสร้างความเพียรไม่ได้ท่านกําลังชั่วเนี่กําลังชั่วเลยนะถ้าจะเอาตัวไม่หลอดนะครอบครัวท่านจะเพ่อทถึงลูกท่านจะเอาดีไม่ได้ขอฝากาพระพุทธเจ้าพวกเรานี่เป็นจกักรพรรดินะเป็นลูกของพระราชพระเจ้าถูกโฉนะเป็นที่จกักรพรรดิเงินทองหลายร้อยหลายตะพังท่านยังเสด็จออกบรรพชาไปหาวิชาแก้ปัญหาเอามาสอนลูกสอนเมียเอาไปโปรดพุทธมารดา เดี๋ยวนี้ก็โปรดพุทธมารดาบรดาวดึงเดียวออกพรรษาตอกบาเทโวโลหณโสตรเสด็จลงจากดาวดึงชาทั้งแม่ของท่านเนี่ยประมาณดาเป็นชายเสดพระบุตรท่านยังตามไปโปรดเลยแต่เราเป็นข่ายเป็นแค่ไหนยยังไม่รู้จากมารดาตายไปแล้วไปเป็นชายชัดยังตามไปนะตามไปโปรดพุทธมารดาเรียกว่าพระอภิธรรมกรรมฐานนี่ยเรียกว่าโปรดมารดา หาใครทำได้น่ะใช่ข้าวปอน้ำนมแม่ได้ดีที่สุดแม่กำลังตกระลกหนีหายลกูกมีบรดเนื้อเนี่ยผูกคอตามาเผาที่นี่ทำบุญให้ไม่ได้เลยแม่ก็ไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติแม่ครับช่วยนานกรรมาฐานพมทีทำบุญอย่างอื่นไม่ได้นี่พยานหลัฐานสาปอกหาตัวนายและ่องน่าจะเรินกรรมาฐานให้ลูกคนนั้นเจงจะได้บุญกุศลตอแทน มันทรงรงบาปมากเหมือนคนที่มีมีทุกข์มากหรือคนติดคุกตารางที่ห้ามเยี่ยมประคบคือมีโทษหนักฆ่าตัวตายโทษหนักนะแต่น้ก่กระบานให้ได้แ น, น, น่ๆที่นี่เป็นตัวอย่างเยอะแต่ไม่เอามันนั่งกินกําจำจะด่าอะไรมันทีโยมคอไลยหมอดูเขาบอกจะตายภายในสามเดือน บอกสวดพุทธคุณเท่าอยู่สิอังมากาโอ้ยอ่าแล้วยาวหลวงพ่อไม่สวดตามใจนะแค่สิบนาทีสวดไม่ได้แต่ไปนั่งแบะแไปนั่งนิทาการไปนั่งรางเกลือไปนั่งคุยกันยาวลุชาัดสรุปใจความไม่ฟังว่าค้นข้าความดีน้อยคว้าความชั่วมากกว่าแค่สวดพุทธคุณนั่นยังไม่เอาเละแล้วยมจะเอาอะไรอันนี้พูดให้คิดนะไม่ใช่ให้เชื่อไปสวด น, นะ ไม่ชวนไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้ไม่ใ ด, ด่งอถ้าพูดอย่างคําหยาบนี่เราให้ฟังจะเอาหรือไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรไม่ได้แค่งเขาก็ทํากันได้มาแล้วมีตัวอย่างมีฝรั่งชวนกันเยอะนะที่ประเทศรอนดอนอังกฤษเดี๋ยวนี่สวดซื้อร้านค้าเด็มหมดนะนี่ฝรั่งกินอาหารเต็มหมดนี่นะฮัวเมีขยขายข้าวแกงทะเลาะ ก, กันทุกวันนี่หรือธรรมะหรือบุญบุ ญ, บญหรือบาป ขอถามโยมเรื่ความจริงใจยอมรับมัางไหมไอ้ทะเลาะกันาบาปหรือบุญโยมก็จงว่าเป็นบุญเฉชอบทะเลาะกันเป็นบุญที่สุดนะไปกลับไปทะเลาะกันต่อไปแล้วพี่น้องพยายามแยกมาช่วยบาดเจ็กันให้ได้นี่เป็นบุญเสียใจด้วยเวลามีหน่าจะแบ่งไปกินแบ่งกันช้พี่น้องก็จะแชนะ่ขอฝา ก, นะกมากรรมฐานไปด้วยแบ่งกิงใชาเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วจะกินได้ไหม อันนห้ของกูนั่งกูกรรมเขไว้เวลาตายจะแบมือทุกไลไม่เคยเอาบ้านเอาที่นาไปที่โกงคขาเอาไปไม่ได้เดีจะแย้งเขาเสียเสียใจเลยเนะ่ะเกิดพาะั่งทีเอาดีไม่ได้ไหนจะจากโลกไปช่างทีก็เอาดีไปไม่ได้ต้องฝากความบาปไว้ให้กับลูกแถมเอาบาปติดทุกขใจไปเลวร้ายลงนรกเปรตสุรกาสัตว์ ด, ดิฉันไปตกกระกมนาบากในนักพุทธต่อไปออกมาในรูปแบบนี้ชัด เนี่ยจมาสอนเด็กนี่วันนี้โทรมาลั่งหมดหลวงพอหนูนั่งกรรมฐ า, านที่ชาอเมริกานี่โทรมาจากอเมริกานะบอกหนูได้ประโยชน์แล้สอบปริญญาเอกอย่างแลพานะผ่าแล้วนี่สิลูกสาวไม่ใช่ไปนั่งกันบ่อยใสบบใส่พาลูกสาวลูกชายจะมาไม่ใช่อย่างที่ฉันโยมกล่าวต้องเป็นลูกชายต้องจริงเป็นหญิงต้องแพ้เป็นคนแก่ที่น่าบูชา ชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท้เป็นคนแก่ไม่มีใครบูชาหรอกหน้าบาดสีในยนาคตหน้าปลาลบทาหรือเปล่าขอฝากท่านทั้งหลายไปคิดอีกวันด้วยนี่นวันนี้ว่างไหมนี่เด็กพรุ่งนี้ปิดอนุสาณาจารย์เข้ามาอีกสามสิบบรจุหมเข้ามาที่นี่แล้วก็พุท ธ, ธสมาคมแห่งประเทศไทยเข้ามาอีกสองร้อยกว่าพรว่งนี้มาลือนี่โรงเรียนพัฒนามาเอาเอาโรงเรียนมณฑพิทยาคาสร สี่งผงขาวเราแห่งอันดับหนึ่งชนบุรีอันดับสองกรุงเทพเข่าที่นี่สองร้อยสี่สิบคตแลยาโยมก็ยังอยู่นี่ไปอยู่ไหนมากมายแต่เอาหัวร้อยแล้วหนึ่งที่ทาเชื่อจตมาอตมาจะแผ่มไม่ตายทาให้เชื่ออตมาเหมือนตมาส่งกรมประชาสัมพันธ์วิทยุโยมไปเปิดยานกลอบมันไม่เข้ากัอก็อรอกตมาส่งทีวีช่องห้าโยผาไปเปิดช่องยี่สิบ ไม่มีทางเข้าได้นะนี่ขอสารนี่พูดอย่างนี้เขาเข้าใจไหมขอเข้าใจนะโอสาวให้ดีโยมโยมปากไปเปิดให้ทีวีรายๆแล้วเอาของไม่ดีเข้าบ้านทุกวันของไม่ดีเข้าบ้านแล้วส่งของดีไปมันก็เลยบ้านโยมไปสามาพูดคำจากมานี่ที่กรุงปารีสโทรมายามื่วานสามมาก่อนจะไปยุโรปห้า เจ็ดวันแผ่มเมตตาเอาของดีส่งไปอยู่หลกห้าประเทศไปเข้าบ้านยวนเลยลูกสาวยวนว่าเราลวงพ่อไปสอนให้เขาเนี่ยยุดเด็กไปยุสิบหกสาวขาวบัดนี้โทรมาเนี บ, บ, บอกหลวงพ่อฮะเขาก็แปลเป็นภาษาไทยเขาพูดาภาษาฝรั่งเศสบัดนี้ดีเนีเขานอนนี้ได้เขานี่ได้พ่อแม่ประยูย่เป็นศพคือลูกสาวของเขาทำให้พ่อแม่มีความสุขได้มีกรรมฐ า, านต่อมาไปแล้วกะเริ่มให้ โอกาสเขาเพียงสมลิมเอียวเขาได้หมดเลยกายานุปัชนาเพราะวันนั้นเราไปบอกก่อนเลยในทางฝันเรียกว่าโทละจิตนีแ่แหละแผม่ตาอย่างนั้นกลับมาถา ม, ถามถึงอย่างนี้ขาชิดย่อมถึง้าชีดยอมบ้าบอคอแตกเดี๋ยวฟุ้งฟานเน่แพ่ไม่ออกจำข้อนี้ไวส้สิสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำแปลว่า จ, จับงานอย่าทิ้งงานแลหนาที่ อาโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตารับรองได้โดหนดี้อาหสิกรรไม่ได้จะโกรธเขาอยู่ก็ยังถูกพยาบาลเขาอยู่ไม่เอาไหนเลยเป็นไปไม่ได้เนี่ยไปไม่รอดคงนี้จาไว้ด้วยแต่โยมไม่จําไม่เป็นไรถ้าไม่เอาไม่เป็นไรนะมันใช้่ดีถนเลยร้อยปอร์เซ็นแต่โยมไปใช้อะไรก็ไม่ทราบสมาช่วยโยมไม่ได้เลยสร้างใจช่วยเต็มที่แล้วโยมไม่รับเมตตาของอาตมาที่การใจแผ่ไปโยมจะได้รับหรือหมดโอการแล้วนะ ขพราะยากญาโยงไม่โดนชู้ น, กกนาการตามงานมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าวมาเยอะองเดียวต้องสู้ปีสี 4, ่ปีห้าเขานอนกันหมดงานยังต้องสู้นี่สว่างทุกคืนข้าวก็สารไม่ได้ทํำยังไงต้องสู้กับช่างตาเนี่ยโยมทําได้ไหยพระองค์ไหนทำได้่ะไม่มเอาเห็นกับตัวสร้างความดีไม่ได้เลยเนะไม่ได้ก็แล้วไปไม่บังคับเพราะตัวใครตัวมันทําดีจะดีดทําชั่วได้ชั่วคนที่จะทําทดีเนี่ยแสนจะยากมาก ทำชั่วเร็วลายทําได้ง่ายมากเพราะมันมันมกง่ายมักได้คืคนชั่วมันชอบของชั่วก็คือชอบสบายกินสบายนอนสบายการเจริญกรรมฐานไม่ใช่อย่างนั้นต้องการให้รู้สภาพชีวิตรู้ความจริงของชีวิตจึงจะถูกต้องอย่ามาสอนเด็กเนี่ยสอนง่ายไปโรงเรียนวายพ่อแม่ซ้ำโหนนะวายพ่อแม่มันก็เปล่าเปล่ายืนพูดกับพ่อแม่เร็วนักกรรมฐามต้องสอนน้อง จิตใจมีธรรมะมันจะอ่อนน้อมไปหมดเลยจะมีมณเฑายาสวยน่ารักทั้งหนุนสาวอยู่ตรงนี้แต่สวยไม่น่ารากักใช่ไหมใช่มนจะกก ร, รมาถานที่สอนเนี่ยกรรมฐานแปลวสภาพชีวิตกรรมฐานว่ามีสติปัญญากรรมฐานแปลว่าแก้ปัญหากรรมฐานแปลว่าใช้กิจกรรมแก้กรรมได้ แต่เรามาสร้างทำกจะแก้กับโดยที่การทั้งหลายความคิดโดยทุนนิาการจะเป็นประโยชน์สุดที่ผลไม่ใช่น้อยการจเจริญกรรมฐานาเนี่ยสามารถจะให้ลูกด้เนี่ยขนาดอยู่สหรัฐอเมริกาตายแล้วนะสอบปริญญาโทไม่ได้ก็กลิ้งลาวเกิดปอดอักเสบเกิดเชื่อไพิลัตลงตับในแพทย์พรังบอกตาอยาอยู่ในห้องไอซีอย่างนะั้น พ่อแม่ก็ไม่ทราบเลยว่าลูกไม่เห็นมีจดหมายมามาขอถวายสังฆทานมาจากพิศโลกโสกุฏันมาไปรู้สิกรรมฐานที่นี่แต่ก็เลิกไปออกจากวัดไม่ทําเลยเราก็รู้ว่าลูกเขาจะตายคืนวันนี้ตายแน่แก็ลองลองบอกว่าเอายมหน้ากรรมฐานเดี๋ยวจะสวดธรรประจากษ์ใหถวายสังฆทานในลูกสารลับอเมริกากทั้งที่เขาไม่รู้ว่าลูกเขาเจ็บหนักอยู่ในห้องไอชียุ รู้ที่จะพื้นไหมพอแม่สองคนนะกรรมาฐานเดียจะสวดธรรมจักรให้จบจบแล้วถวายพระทหารไม่มีเงินจะออกให้คืนนั่นฟื้นทันทีแล้วหายที่สอบปริญญาโทมาด่าเสียใ จ, จก็ไปกินเหล้าจงเชรียวพิรุตลงกลับมันมีตัวอย่างอยู่แต่แล้วก็หายวันให้คืนได้แล้วก็ไปบอกกับภาควิชาคณะกรรมการขอร้องให้ผ่านปริญญาโท นี่บุญกุศลนี่จากพ่อแม่นางกรรมาฐานให้ลูกได้ทานเบียโตและตอมยาเอจแหละนี่เห็นไม่ชัดไหมเนี่ยนี่เรื่องชีวิตเลยนะเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกจะเจ็บหนักมีลูกชายคนเดียวช น, นะบานอยู่โน่นถุกโคทชใหติดต่อกับพิชลโลกน่อนี่พ่อแม่ช่วยลูกดายุหารด้วยกัน ล, ลูกก็ช่วยพ่อแม่ได้คนหนึ่งมีสามสาวแต่กระสาวยุ่มากแหละ หลวงพ่อคะพอกําลังอยู่ในห้องไอซีูสี่หลักหมอบอกว่าไม่เกินงูมิตายแต่หลวงพ่อพิจารณายังไงแผ่ไม่ตาให้พ่อหนูบอกแผ่ไม่ไดหนูเช่อพ่อได้ไหมไม่ศรัทธากรรมฐานไหมนั่งกรรมฐานไหมไม่ศรัทธาไหมทําไมไม่ศรัทธาเยอะนักเพื่อให้พ่อของหนูเนี่ยกําลังอยู่ห้องไอซยูดีกว่าหนูจะไปนั่งเฝ้า ทำยังไงคะสามคนพี่น้องนงก็มาถามเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พักขาวหนูไม่ได้เตรียมของมาเอามาเลยมีศรัทธาเปล่าถ้าไม่มีศรัทธาไม่จงนั่งไม่จงแค้นด้วยไม่องแค้นเลยนะนี่จาไว้ถ้าโย่ไม่มีศรัทธาไม่จงมานั่งไม่ได้ผลไม่มีศรัทธาไม่มีความพอใจในการสร้างวุ่เช่นนี้อย่างนั้นไม่จะพ้นนั่งไปก็อย่างนั้นเดี๋วก็เลิกดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็นายคนที่ไม่ดีสร้างความดีไม่ได้หรอก คนที่ดีสร้างความดีได้ ง, ง่ายขอฝากไว้สั้นให้สังนๆให้มากที่สุดเลยก็นั่งเสียเวาลากลับป่าท่อพื้นในห้องไาซีอยู่แล้วก็พาพ่อมาพ่ออายุแปสิบสีนี่ลูกสาวนั่งกรรมฐ า, านฮะเห็นไหมเด็กจะมาวี่งกันยังไงอ่ะเอาไงอ่ะเนี่ยนี่โรงเรียนช่างหวนหญิงเนี่ยมีพยานยไปถามดิหนี้ได้เด็กอายุสิบามขวบนั่งกรรมฐ า, านให้แม่หาเจ้าลงมาเรียงไดนน้นดบุษรา เนแล้วเล่านั่งให้พ่อแม่เป็นยังไงถ้าเราเป็นกุลบุตรียาสาวแท้แก่ไม่ไมายัางใครขนาดหัวเจ้าชู้หัวเล่นการพ น, นันเป็นหนี้สินไม่พักภรรยาที่ดีก็ดันกลัมาถานแผ่ไม่ตายสา ม, มีความดีเข้าบ้านไอ้ช่วเจ้าชู้หายไปอย่าไปตามไอ้ชู้เจ้าชู้เข้ามาอีกตรงนี่ไม่ไม่แก่แแกันแหละไปแก่อย่างไรมาวาันมาถามเนี่ยนี่ยจะจามสาบบ้าหรื อ, อยั ง, งร้องพ่อคะ ช่วยหน่อยครับผัวฉันไม่เอาไหนเลยเล่นการพนันเจ้าชู้ด้วยตึกก็เป็นของเขาแล้วเอาอย่างไรแกยังไงแกเดือดไปหาหมอทํางินเหรอยอมจะเสียใจยจะไผหลับไปสร้างเวรกรรมต่อไปทำไมทิขีกรรมเดี๋ยวการพนันเข้าบ้านก็ยมก็ปลงให้ตกก็สวดมนต์ไหว้พระนะั่กรรมฐ า, านโอโหสิกรรมกับสามีซะแล้วก็แพร่เมตตาสามีเจ้าชู้ทิ้งนอกบาน เล่นการพนานชิงหลอกบาตแล้วจะกลับเข้าบ้านโดยสร้างความดีกับภรรยาต่อไปนี่คือสามีตรงนี้ไม่เอาไม่ทำพาไปหึนการไปด่าการไปฉะเลาะ ก, กันนั่นเนี่ยใจบาปคนไทยปากเป็นบุญใจเป็นบาปมาทําบุญสวาสสังฆทานจะกลับไปทะเลาะกอับผัวไอ้ผัวก็ไม่เอาไหนต่างคนต่างใจบาปด้วยการดูด้วยการด้วยความทุกข์ดูด้วยความนรกท่าเป็นออกมาอย่างนี้ไง โยมตรวจพี่าด้วยเชิดต้องการมีความสุขไหมสามีภรรยาต้องเป็นอยากต้องการได้คู่ซาคู่จบไม่ได้ปล่าเปล่าต้องอยากจะได้คู่วิวาทะลักการต่อกันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่หรือเกินถ้าโยมตั้งแผง่เมตตาตามที่กรรมสอนรับรองได้ผลนั่นเนี่ได้ผลนั่นแน่ไม่ได้ผลตอนที่โยมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ศรัทธามาทําแลกเปลี่ยนของดีเอามาเอาบุญแลกบุญ เหมือนพ่อค้าพาณิชย์ค้าขายต้องการได้ชุนได้กำไรอย่างนั้นอย่างนี้มันคุณยางเราต้องสร้างบุญจริงๆให้มีบุญวาสนาได้จะเอบุญวาสนาไปแผ่เมตตาออกไปสามีดีเนี่ยรอบครัวก็ดีด้วยบางทีพ่อแม่ทะเลกกาะกันทุกวันกินเล่าแล้เตะแม่แม่ก็ด่าพ่อนี่เด็กน่กเรียนบอกหนูน่ากรรมฐานาอย่าไปสอนพ่อนะอย่าไปสอนแม่ไม่ได้ อย่าไปว่าพ่อวางแม่จะเข้าข้างพ่อก็ไม่ได้เข้าข้างแม่ก็ไม่ได้หนูนางกลัมาฐานแทนไม่ตายคุณพ่อคุณแม่สามพี่น้องเอาเลยบัดนี้พ่อแม่เลิลอกทะเลาะกันแ่้วนี่เพราะลูกทําให้พ่อแม่เห็นให้ชัดกต่โยมทําได้ยังไงไม่ทราบนะอย่ามาสร้างบาปติดต่อไปเรามาสร้างบุญก็ต้องละบาปมาสร้างความดีต้องละความชั่วได้วยถ้าละความชั่วไม่ได้ดีไม่ได้เนี่ยเนี่ยไม่กล้าไปให้พราะที่ไหนช่ว ต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้คณาพ่อแม่ป่วยลูกช่วยทําได้คณาลูกป่วยอยู่สหรัฐอเมริกาเชี่วไฟลาลงตรบต้องตายคืนนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้เราก็ไม่บอกโครงถ้าบอกพ่อแม่ก็ไม่มีกระจายทําบุญให้ลูกนั่งเจริญก็มาถานแผ่เมตตาให้ลูกลูกพื้นด่ะบัดนี้ตอบยาเอดจะจบแล้วเอาของจริงหรือของปลอมเลือกเอาที่พูดนี้แต่เราของปลอมเอาไปนะ บางคนนี่ชอบบุญง่ายๆมากง่ายมากไายเป็นบุญได้ยังไงคนทายปากเป็นบุญใจเป็นบากปกลับไปนั่งสะเลาะการฟัวไม่ยะไปนั่งทะเลาะกันแต่ทำบุญไม่จะจากใจบาปถ้าบุญนอกบุญในดีนอกดีใ น, นจิตใจเป็นบุญคือกรรมฐานอย่างเดียว ก, กรรมฐานจิตมันใ จ, ม, นใจมันเป็นบุญใจมันมีความสุกปากพูดออกไปก็เพราะพิงอ่อยตามหวานหรือยังสิงปากลมปากหวานาา ห, านหูไม่รูหาย โพูดเป็นเนงินเป็นทองเองินไร้หนองทองไร้มาลวยทุกคนถ้าติดงามติดงามร่างกายก็สวยกลับไปรวยทุกคนไม่ชอบตามใจชอบจนก็ทอบต่อไปอับเฉาอับจน ท, ทําไมชิ้นจนทมันอับเฉาอับจนก็มันไม่มีมันจริงจนทําไมไม่มีเพราะมันใหญ่ท ทำไมไม่ได้ทําเพราะมันขี้เกียจไอ้คนใจบาปเนี่ยชอบขี้เกียจไอ้คนใจบุญเนี่ยชอบขยนันคนมีคุณธรรมขยันไม่ทักมาอยากหลับหลอกนอนต้องทำงานให้เสร็จไม่ได้เดียวนี่คนมีธรรมะคนมีธรรมะไม่เสร็จไม่นอนไม่เสร็จไม่กินข้าวนี่คนมีธรรมะเดี๋ยวนี้มีจะทำแแม่ใช่ไหมแล้วแมะที่หนนแม่ที่นี่ โอ้โหป่าเป็นบุญจา้าโอโ้เห็นพระวายโสจุขาทุจริตใจเป็นบาปช่อจิตใจไม่มีกำหนดจรมาฐานจิตบาปมันคิดไม่ดีกับเขาแล้วก็โลภโนโทโสอะไรทำนองนี้เป็นจดมีหนากที่ได้ขอฝากแกโยมไว้เนี่นประมาณเนี่ยกลับจะดูโลกไม่ได้พักไม่สบายก็ต้องสู้จนกว่าจะลมหมดไป จะมีใครอ่ะมีงนี่จนอนกันทำอะไรนะพลาวนอนให้สบายกินให้สบายไม่ต้องเอางานเอาการนะชีวิตถึงงานบรรดาศสุกองทำงานให้สนุกมีความสุขในการทำงานงานรรมาฐานงานเดินรรมาฐานเดินงานเดิ น, งนเนงินตามมาเงินหลนองของไหไมางานไม่เดินเงินไม่ตาม ขาดไม่เติมเกินไม่ตัดไม่ประหยัดเวลาเสียใจยด้วยเวลามันล่วงไปไม่นานเลวาลรีไหลผ่านนาทีไม่มีวันกลับมาเสียใจยกับหนูน้นอยเสียใจมากชีวิตก็หมดไปเรียกคืนไม่ได้กระแก่ลงไปทุกวันสาวจริงไหมคะไม่จริงหลอกลวงงงจริงไหมเดี๋ยวมันก็แก่เราใช้เป็นสาวแต่ฉันสวยๆอย่างหลา ขอถามที่หน้าตาสวยมันเทวดามันนางเอกพระเอกในห น, นังการนิสัยเป็นอย่างไรเขาดูทีนิสยัยดูที่แบบอย่างเดินมาเรียบร้อยไหมเนี่ ย, ยาตามีทรัพไหมหูมีทซับไหมมีมารยาทมันเขาดูตรงนี้เขาไม่ดูว่ารูปร่างสวยนะแอบหน้าแอบหลังกันอย่างไงเหรอลีนนะ่แถมมาตูดชนกันเนะี่ยซ้ำมะจ้ำบะซ้ำเะเสียใจด้วยมีมารยาทนะเป็นชาติผู้ดีไหมมีสริยธรรมหรือเปล่ารูปสวยไหยรวยซับไหม มีมารยาทไหมัระชาบุดีมีสินธรรมหรือเปล่าคะไม่มีค่าชันไปลูกเศรษฐีมือลงสีด้วยอ น, นี้ลูกลงสีอ่ะไอ้ลูกลงร่ำแขังรวยมากมายแทนนอนไปมีผัวเข้าให้พ่อผัวทงกาแฟให้กินให้แม่ผัวหูงข้าวมีตัวอย่างในกรุงเทพอย่าบอกเืิกมาที่นี่เสมอต้องหุงข้าวให้ลูกสบายกินต้องลูกสบาพเศรษฐี ขอฝากกันทุกคนเรื่องจริงชีวิต น, นี้ไม่ใช่พูดลามพาไม่มีใหุ้ผลนะมีตัวหลักมียืนยันมียญญาหลักฐานเลี้ยงลูกให้รวยช่วยเก่งถ้าใครท่านมีกรรมฐานจะลูกรวยช่วยเก่งไม่ใช่เก่งไปด่าไปหาเรื่องแล้วค่ะเก่งงานเก่งวิชาการมีหลักฐานทําอะไรก็มีเหตุผลเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนนิสายแปลว่าแบบอย่างมีลูกให้มีนสายดีมีแบบอย่างที่จะมองเห็นได้ชัดดังต่อไป เขาฝากว้มีปัญหาจัง ก, กล่าวมาอันนี้ก็ข อ, อนมัตนาด้วยวันนี้ก็เป็นเวลาดึกกลับไปแล้วขอให้แก้ปัญหาตรงไหนแก้เปล่าเละกลับไปแล้วเลิกเลยกรรมฐ า, านต้องทําทุกวินาทีและเขียนหนังสือกําหนดอาตมาเขียนหนังสือทําไมช่วยแยกโดดโงพยาบาลในชั้นอ่ะไอแยกมันลดลดความที่บาปมาทําไมช่วยชั้นนั่นเนี่ยคือกรรมฐ า, านรู้มั้งหรือ เสียงหนอตั้งสติไว้เช่นไม่มีเสียงเขาด่าแล้วเนี่ะหน้าถนนเนี่ยถ า, า, าเอาหูออกไปฮะออกไปฟังเสียงมันใ ก, กล้ๆพอทางที่เสียงมาอยู่ห่างไกลเนี่ย้นเสือกไหมเสือกไหยคนใจบาปเอาหูออกไปอ่ะมึ ง, งว่างไนกูมะมึงว่าไหงกูมะก็อยู่ในบ้านซะดีๆมาด่าแล้วราคามันจะได้มากแพงเนีนี่มีเจ้าสาวตรงศรีบุตรเขามาขอร้านหนึ่งสองร้าน ออกไปเหยื่อเยอะการถนนนี่ตลาดที่เองเนี่ยเจ้าเบามาในคืนไอ้เพื่อนก็บอกเคยไอ้หาแฟนมึงมานั่งขลอกเขาเฮ้ยไม่ใช่ออกไปด้วยกาขันรถกลับเลยกลับบ้าน ค, คืนเลยไม่จากงานด้วยคนราคาสองราเหลือเฉลึมเดียวมานั่งขลอกกัเข้ากลางถ น, นนนี่นางสาวเจ้าสาว ส, ส, สวยไหมเนี่ยหนูสวยไหมสวยนะกลับไปเรา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 คนอื่นเขาเพิ่มราคาให้หนูแต่หนูทำตัวเองให้หมดราคาให้ราคาข้ามไม่ดีรัฐบาลช่วยเศรษฐกิจไม่ดีรัสบาลช่วยแต่ขอจเจริญพรถามอ่ะคนหมดราคาราคาตกใครช่วยหนูใครช่วยคะตัวเองเลยคะ่ะไม่ว่าให้เทวดาช่วยนมกว่าบนบานแสงส่างเทวดาช่วยหนูด้วยเทวดาช่วยหนูด้วยแต่ตัวเองไม่ช่วยเทวดาเขาไม่ไม่ช่วยหรอก นี่เหตุผลที่หนักปัน่นจะจะเอาอะไรกันฮะเนี่ยดูสิเป็นเหตุผลที่มีลักษณะการกลับไปแล้วก็แก้ปัญหาเสียงหนอมนมั้ยเสียงหนอไยหูก็เสียงเนี่ยเลอันเดียวก็ถามเอาหูไปหาเสียงเลือกไม่เข้าเรือกก็อยู่เฉยเฉยใชไหมไดาเนีมันจะได้มีราคาไปถูประการได้นิ่งไว้ก่อนอ๋อเสียงอันดาดานี่เราไม่ชอบเอามาเก็บมาในใจอย่าบันทึกหลับฐานในเทพเลย หายเสียงกลับไปหาเขาเองคือเสียงหนอะเขาจะได้ดา่าเราเขาก็ด่าตัวเขาเองเราไม่เป็นบาปเราก็ไปเป็นบุญเขาเป็นบาปที่ ด, าด่าคนะํ า, า, เ า, าเดียวเราอย่าออกไปด่าล้วเขานะนี่การกรรมฐานเขาไม่ได้ต้องหักการหาเรียกงตรงนี้ทํำไมไม่ทำกันตรงนี้ทำไมได้โมโู ก, กาและขอฝากเด้ยวยเห็นหนอมันยืนมาแล้วเห็นด้วยปัญญานึกไสมันเป็นยังไงยืนหนอนั่นเองก็คือเห็นหนอะเราทําไม่ได้ก็แค่คนเดียว ทำได้แต่จะรู้ว่าคนนี้เห็นหนอหัวไม่มีต้องตายต้องตายทําให้บ่อยๆก็สิทําแล้วเลิกไปเลยแล้วปีหน้าค่อยมาใหม่ค่อยทำก็สองวันแล้วปีหน้าทานสองวันปีนอนทายวันเดียวอ๋ออยู่มาดีกระชั่วมันไม่เท่ากันแล้วปีหน้าค่อยมานะเอาสักวันหนึ่งขอแล้วปีนอนไม่กี่วันเดี๋ยวไปวันนอนเดียวพู้โชยละไปนอนยังไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยดูหนังหลายเลื่อ เขาสอบไปเล่มเดียวก็ยังสอบไม่ได้ผ่าไปดูเล่มหนึ่งต่อไปเล่มหนึ่งยังไม่จบเล่มสองดูอย่างเล่มสองดูวยสองไปเสือกดูเล่มสามต่อไปนี่อย่างนี้ทั้งนั้นยอมฟังเลยคิดดูแอบปัญหามันไม่ยากเลยทําไมไม่แก่เราก็กําหนดอยู่ว่าเราเป็นหนี้สินเพราะอะไ ห, หาที่มาให้ได้ถ้าปีมันจะบอกหนี้เป็นหนี้เพาอย่างนี้แล้วก็เขาโกงเราไปอย่างนี้ โกงเพราะอะไรก็โกงถ้าสติเราดีมีปัญญาปัญญามจะเกิดบอกมาชาติก่อนไปโกงมาก่อนโกงมาก่อนเราก็ลดทักษิตรมณนะยอมรับผลใหเข้าไปเลยเนะบางคนมาพูดบอกพ่อคะ่ะฉันโกงโดนโกงนะ่ะดีแล้วอนุโมทนากลับปากบูบิดาเรวเลยเอออะไรเนี่ยดีแล้วเขาโกงเอาดีที่สุดเจะด้วยไหมหนู น่าดีกว่าเราไปโกงเข า, ขาเข้าใจไหมเราไปโกงเขามาดีไหมดีแล้วให้เขาโกงเราดีมีเงินให้เขาเขาใช้ดีกว่าไปเอาเงินเขามาใช้แล้วก็มาใช้เขาถูกไหมคะน่าอันนี้ไปไปดูกสาวหลวงพ่อดา่าจะได้รวยเป็นพันล้านาใครไปรลูกสาวหลวงพ่อรวยเป็นพันล้านทุกคนนะใครไม่อยากไปลูกสาวไม่เป็นไรเนี่ยดีไม่ดี อาไม่ดีไม่เป็นไรหนูดีก็แล้วกันอนี่เหตุผลขอฝากไว้แก้ปัญหาไม่ยากเลยถ้ามันคิดอะไรไม่ออกไม่ก้องไปหาหมอดูได้ไหมก็เราทํากรรมาฐานนดะหายใจเฉยทิ้งอันเนี้ยเรายาวอยู่ในช่วงนิ้วหิหนแหวกตาแลวา้วกาสติไว้ตรงนี้คิดหนอคิดหนอถ้าเรามีสมาธิอยู่เดิมสะสมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์มันจะตเตรียมมาเลยคิดอย่างนี้สิ ต้อแกอย่างนี้มันจะบอกอย่างงี้ไปหามาดูสมัยทำได้หรือยังอ๋อฉันยังไม่ได้แลวค่ะฉันเพิ่งมาแล้วก็มาเดี๋ยวเดียวฉันก็จะกลับเลยค่ะอ้โอโหตอดยังไม่หายเหม็นจะกลับแล้วอตอตดยังไม่หายเหม็นจะกลับเลี่ยจะได้อะไรอ๋อไม่ได้รับงนานจุ้งจงังงานที่บานยุ่งจงังงานบริษัทก็ยุ่งถ้าเป็นขั้การาจะมาสมเนี่ย วันศุกร์ ข, ขับรถมาสินี่เขามาก็เยอะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับแต่ทางานไม่เสียด้วยไม่ใช่มนันน่าจะเป็นเดือ น, นพอได้ฝึก ไ, ได้แล้วก็เขียนหนังสือไปื้วยทำงานประสบะการณ์เนี่ยเป็นวิชาการที่ถูกต้องประสบะการณ์เนี่ยเป็นวิชาแก้ปัญหาไม่รู้จะพูดไงให้โยงเข้าใจได้เนี่ยพูดจากข้างนี้เข้าใจไหมหนูเข้าใจเยอะจะได้เลิกพูดนืยไม่รู้จะเข้าใจ บางทีหลวงพ่อหลวงพ่อคะช่วยดีฉ like, like, ันด้วยจีเจ้าค่ะเรื่องราวเป็นอย่างงั้นเรื่องราวเป็นอย่างนี้เราช่วยแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เจ็บอยางนี้นะจำได้ไหมาำได้เจ้าค่ะพอเราเลิกพูดนะหลวงพ่อช่วยฉันในชีวิค่ะเอ๊ะก็บอกแล้วอย่างนี้ที่มันอย่างนี้ที่มันมันเจาะแจ่มันเจาะแจ่รู้จักเจาะแจมไหมหนู ช็อแกแสยังไม่พอช็อกแสช็อกแสมาจากไหนมาจากเสื้อซะเสื้อซ่ามาจากไหนมาจากเสื้อชาเสื้อชามาจากไหนมาจากบูสสุโดไม่มีเดไมมีตาไม่มีแววไม่ีความฉลาดขาดความชฉียดจั บอกแล้วเนะ่ยแกอย่างนี้นะแกอย่างนี้นะจ้าจ้าจ้าฟังเลยฟังเสร็จเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยลองพ่อช่วยถามซิจะช่วยยังไงก็บอกแล้วยังจะถามอีกเหรออ๋โหเสียน้าพระไทยด้วยเกิด อ, อยาวเนี่บอกแล้วยังจะเอาอะไรไวะเนี่ยเข้าในตำนานหนูฟังแลก็เข้าในตาานํ า, ตาราที่เชื่อง่างสอนอยาคนเชื่อง่าสอนอยากคนเชื่ อ, อยา ฟังนะสอนง่าเนี่ยอย่างย่าคนที่ว่าเนี่ยเชี่ยงง่ายอะไรจ้าจ้าจ้าถูกแล้วจ้าจ้าจ้าพอจบลงไปหลวงพ่อว่ายอะไรฮะนี่ที่สอนยากตรงนี้ตากระทูหูกระทะอย่างไปนักสาทีแหมแค่ดีจังหลวงพ่ออ๋อพระองค์ชมเดชประํามามสา ตาประทังประกาเช่นโตกะ่าอาหาร ป, ปางเมื่อพระเวชเช่นดอนจอมก็วเอดพะเจ้ากรุงชนชัยจะไหลเวชนดอนออกป่าทิมาพานสาอยออหลวพ่อเทอดีจะแท่นเนาะเทอดีเนี่ยนี่เเนี่ยฟังนะเราก็เทอดีไงยอมเทอดีไงวันนี้โอ้เส้นหัวใจเลยหลวงพ่อเอ้ย โอ้โหแค่ดีแค่เรื่องอะไรจําไม่ได้เลยจาไม่ได้เลยไม่รู้เทเรียนนี่เนี่ยตาตะทะลุก็ทะเชื่อง่ายสอนอยากฟังนะเชื่อง่ายเขาว่านะคนนี้มาดีอาเซชุงอไม่ดีงงดจ้าโยนพระวดดีจ้าเชื่อเลยคนประเภทนี้สอนอยากคนที่เป็นบดณิตเชื่ อ, อยาสอนง่ายช่อนหะไคนที่เป็นบดณฑิเชื่อคนไม่ได้ ต้องสืบสวนต้องสาวหาเหตุแล้วจึงเชื่อเหตุผลทำไมเรียกสอนง้าต้องยอมรับจานวนด้ยเหตุผลข้อจะจริงคุณหนูเข้าใจไหมคะน่ะไอคนไม่มีเหตุไม่ีผลเนี่ยเชื่ อ, อเชียอง่ายใครว่าอยาคนนี้ไม่เดเชื่อเนี่ยตะแค่คืนนาวัดเชื่อเลยตะแค่ที่ไหนล้านเสียไปอยู่เนี่มาสองวันเนี่ยงัวออกลูก อาตมาซึ่งงัวถวายสมเด็จมาออกลูกในสามตัวแล้วก็ไปบอกข้าหลงน้อยบอกงัวออกลูกเป็นช้างวุ่งกันมาเป็นหางเลยอะไรกันงัวเสียเวลาเปล่าง่ายไม่จองพั้วคำนันนักกองคฐานยังวิ่งมาเลยไปไปไปยีหมายีหมาไปเพื่องงัวออกลูกเป็นช้างเชื่อเลยฮะก็เชื่อสินึกวิ่งมาหกลมตรงนี้ต้องเอาน้ํามันทาเลยนี่อายุไม่มากแล้วเจ็ดสิปาร อะไรกันเชื่อชมเดชไปได้เยอะบอกงัวออรูธเป็นช้างวิ่งมาได้นี่กรรมฐานที่นี่เยอะเฮ้ยเฮ้ยเ ไ, ไปไปไป เ, เลี้ยวเลื้ยวงวงอวุธเป็นช้างเลยออกมาตรงนี้ลมไปละไหนเลยหลวงพ่อก็นอนอยู่ข้างโบสนี่ไงเรานี่อย่าเชื่อง่ายนะต้องคิดหนอคิดหนอทําไมเชื่อคนง่ายสอนอยากอย่างนี้อยู่เข้าใจไหมครัเอาละขอบคุณมากอุชาเข้าใจขอบคุณมาก หลวงพ่อคะมาขอบุญช่นหน่อยมามาวานเต็มขอบุญหน่อยบุญอะไรอะ่ะช่ม่ขายที่ดินเป็นบุญแล้วค้าขายให้รวช่นหน่อยเอาล่ะอาชีพมาต้องทอย่างนี้อย่างนี้จะขายได้อย่างนขายได้ผมน้ำมนต์ให้พรสเสธิ์แล้วหลวงพ่อเมื่อไรจะให้พรฉันเออให้ไปต้องงานแล้วจนหมดพุงเนี่ยเนี่ยอะไรก็อย่างนี้นี่มันเชื่องายอย่างเงี้ยนะสอนอยากเยอะคนนี้เนะี่ย หลวงพ่อไม่เป็นลายแค่นเราเเอีกเอ๊บอกว่าให้แล้วไม่เป็นลายหลวงพ่อถ้าคันขายได้หลวงพ่อต้องได้ชัดตังมากถ้าจะมาทําบุญอ๋อนี่หลวงพ่อนี่เป็นพระรับจ้างเด้อรับจ้างขายที่เด้อเนี่ยรับรองคุณขายไม่ได้อะไรก็บอกไปแล้วให้ทาอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อต้องขายได้นะต้องขายได้แง่แง่นะหลวงพ่อไม่จงห่วงฉันจะมาทําบุญบ้างเอารับคุณโยมขายไม่ได้ไม่จงทําบุญใช่ไหม ใช่ไหมใช่วันนี้ไม่ต้องทําบุญต่อไปไม่ช่วยขายที่ดินที่วันนี้เยอะจักทีนี้มีไหมจะให้ช่วยขายที่ดินไหมล่ะนี่มาเลยมาจะขายให้เนีมันจะไปะยากอะไรเขาซื้อกันแสนเดียวนะลายจะแสนนะก็เราขายได้ละหมื่นเดียวต้องขายได้ขายมันถูกไว้สิอะไรไม่รู้จะขายขายของไม่เป็นไง ราคาแสนหนึ่งขายมือเดียวเนี่ยไม่มีคนซื้อเหรอน้าชุ่งอ่ะจะซื้อไหมยอยอ ม, มซื้อซื้อสลามันจะขายเอาไหมไม่เอามากเลยสิบบาทก็ไม่มีคนซื้อเนี่ยแต่ซื้อไปแล้วอยากเอาไปทิ้งต้องมาคอยกวาดนะชาวเมาองคอยกวาดนะได้ไหมคะไดะ้นี่ลูกสาวเคาจะแต่งานบอก หลวงพ่อจะให้เรือนหอชะลาหยังล้ำใหญ่ยกขี้มาเลยมายกชะลาใหญ่ให้เป็นเรือนหอเอาไหมแต่หนูต้องมาดูแลนะดีไหมอาภัยยังไม่แจ่งงานบอกแต่งงานหลวงพ่อจะให้เรือนหอโน่ชลาใหญ่แล้วต้องมาบุกมันกวาดนะยิ่งหาเจ้าของกวาดอยู่มันมีคนกว่าดเนี่อย่างนี้การเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชน์มากดันที่กล่าวมาแก้ปัญหาชีวิตจะดีมาก อย่าพลาดผิดทํำรายช้าโัช้าช้าโัช้าจะได้ชาสมเล่ศงามทำําในชาวไวมีสติคิดถ้าทําใจเร็วด่วนได้ไม่คดีจิดมันคิดไม่ทันสติมันไม่มีโอกาสมาคิดยอมจะเสียใจต่อภายหลังอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนจะจับบ้านชมตายอมจะผิดหวังจะเสียใจในชีวิตโกรดจำคานี้ไว้ไปไหนก็ป่าจะไว้ใจอย่าเบาว เรื่องเก่าอย่ามาเลือ้อเฟินเลยครัคนอื่นอย่ามาคิดเกิดที่ชอบทําให้เสร็จไปเข้าใจคํากรรมฐานนี้ไหมอนาคตแน่นอนได้อย่างไรอย่าไปคิดมัน่นจับมัน่นคันให้มันตายยมจะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตคิดว่าเราจะได้เงินคิดต่อไปว่าไม่ได้เราจะได้แก้ไขปัญหาคิดเอาได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้เสียใจแก้ไขปัญหาไม่ได้ตรงนี้ถ้ายมเป็นพ่อค้าแม่ค้า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 เพื่องี้เขาจะเงินมาให้มีอนาคตไม่แน่นอนหับห่างขั้นมาตายมาเด็กเตรียมหาคนที่อื่นไว้พอเพื่องี้เข้ามาให้เสียใจยไหมเขาไม่มาให้เสียใจยไหมตรงนี้ต้องตรงให้มันตกต้องหาทางแก้ไปด้วยคือสตรีปัชฌาสีคือกรรมฐานนี่เองไม่ใช่กระเป๋าลายไม่ใช่มานั่งเฉยๆนะอันนี้ข อ, อนมูธนาไว้ก่อนยมจะกลาปตาเอาไปแก้มางสวนนัดมนีทีเดียวโสพระวามายมงคินามนชอด สวดทางวุฒิการที่ได้จากสมเด็จพนุราบุตรตากแก้วสวายรพรพเยพระ ย, ยช่วยไม่เคยแทบสวดหน่อยได้ไหมนอ้องสวดชิ น, นาบรรชรชินาบรชรสมเด็จโตท่านสวดสําหรับบูชาพระรหามท่านตอนขั้นปลายนูเราสวดแก้ตามได้ไหมพอะวุฒิการเนี่ยเรียกว่าพระชนมานเรายังมีมารพระจนกันอยู่เขากฝาบฝากว้ามารไม่มีบต่เราไม่เกิดคนที่ประเสริฐไม่อยาสร้างความดีต้องมีมารคืออุปสรรค ถ้าไม่มีบริษั์เป็นความดีไม่ได้คล้องไว้ถ้าหากว่าไม่มีบริษัทเราคือความชั่วถ้าเราไปสร้างความชั่วไม่มีใครต้องหนีติเียจเลยไม่มีบริษัทเลยดันถ้าเราไปสร้างความดีแต่ค้าขายขายหยิบขายหยีไม่มีบริษั์สันติมีคนฉาเลยสร้างความดีต้องมีคนฉาเรียกว่าอุปตระศักดิ์เจก็กำหนดติดขัดอยู่ในหัวใจกําหนดรู้เนพอรู้เนอะรู้เนอะเขาอิจฉาแล้วหนอแพ้เมตตาหนออย่าไป สตีต่ออิจฉาเขาต่อนี่นะการอย่าสร้างเวรกรรมฤทธจงสร้างศัตรูให้เป็นมิตรเป็นคู่คิดในบ้านของคู่วิวาอย่าเป็นคู่วิวาอย่าสร้างสามีภรรยาให้เป็นศัตรูกับจงสร้างศัตรูให้เป็นมิตรเป็นคู่คิดในบ้านเพื่อนคู่คิดไม่คูมาโยมจะเป็นเศรษฐีต่อไปมาชนชวดมนไว้พระไว้สอนเด็จเด็เล็ก นี่มีความหมายมากวันนี้ข อ, อนมูธนาชาลุกการเวลาก็จจำกัดเขตประเทศชายเป็นอาจารยิกะสมัยแล้วบัดนี้ชีวิตของเราล่วงเลยไปหนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วจะใกล้ยี่สิบสี่นาฬิกาชีวิตก็ล่วงโรยและโรยลาและโรยลาชีวิตจะมาใหม่เกิดดับทั้งลูกนามคันห้าเป็นอารมณ์สร้างอุทรดีกว่า ชีวิตนี้ไม่แน่นอนเกอนอีจังทุกครั้งอนัตตาไม่มีโอกาสใดที่จะเข้าสู่ภาวะดังที่กล่าวมาขอขออนุโมทนาแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านทัทนทง้งหญิงทั้งชายทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งล้านทุกท่านได้มาเจริญธรรมซ้ำมาปฏิบัติเป็นอริยธรรมทำให้จิตใจสมยัยทำให้จิตใจไม่สมอง ทำให้จิตปลองดองญาติพีน่น้องร่วมกันเรียกว่าญาติธรรมเจอกันก็รักกันเจอกันก็มีเมตตาทำกันไม่มีอกุศลและกรรมแต่ประการใดจิตใจก็เบิกบานหันาซาก็เสิมสำรานทันเวลาชื่นจิตชื่นใจวัฒนาสถาพรสำราญบุญกุศลแห่งธรรมะไม่ลดละภาวนาย้อนกลับมหาตามังราย จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยถวนาการรมจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาพลั้ป่าติดทางกนารสาลสมบัติเนื้อคลิกสิ่หนึ่งประการใดขอให้สมถาปราถนาด้วยการทุกทกท่านในโอกาสแบบนี้เทิน